สาวน้อยจอมขี้เกียจกับสาวน้อยจอมขยันมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านอันไกลโพดมีสามีภรรยาอาศัยอยู่ทั้งสองคนต่างมีลูกติดจากอดีตภรรยาและอดีตสามีภรรยารักลูกสาวของเธอมากเธอมอบเสื้อผ้าสวยๆใหม่ๆให้ลูกสาวและไม่เคยใช้ให้ลูกสาวช่วยทำงานเลยลูกสาวเธอเลยกลายเป็นคนขี้เกียจเธอไม่ทำอะไรเลยนอกจากมองดูความสวยของตัวเอง แต่ภรรยาปฏิบัติต่อลูกเลี้ยงต่างกันราวหน้ามือกับหลังมือหัวนั่งทบไทยอยู่ไปทํางานบ้านสิแต่แม่คะหนูเพิ่งทําความสะอาดบ้านเมื่อเช้านี้เองคะ่ะอย่ามาเถียงฉันบอกให้ทําก็ทาไปสิค่ะแม่แม่เลี้ยงใช้ลูกเลี้ยงทํางานบ้านทุกอย่างแต่เธอก็ไม่เคยบ่นเลยเธอทําทงานบ้านทั้งวันทุกวันแต่ไม่เคยเหนื่อยพอเธอ คอยเฝ้าดูเธออยู่เสมอเขาได้แต่สงสารแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เวลาผ่านไป <c oughs> พ่อก็เจ็บไข้ได้ป่วยลูกรักของพ่อพ่อขอโทษพ่อช่วยอะไรไม่ได้เลยอย่าเสียใจไปเลยค่ะพ่อพ่อรักและดูแลหนูมาทั้งชีวิตเลยตอนนี้ถึงคราวที่หนูจะต้องดูแลพ่อบ้างแล้วหนูจะไปทำงานหาเงิน ตอนนี้เราลำบากถ้าอีกไม่นานเราจะต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะแม่เลี้ยงแอฟังอยู่เงียบๆทำไมฉันถึงคิดไม่ออกนะฉันน่าจะส่งมันออกไปทำงานกับครอบครัวคนรวยตั้งนานให้มันหาเงินมาให้ฉันใช้อะไรที่เธอได้มาก็จะเป็นของฉันฉันกับลูกจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการสักทีนึ่งเธอพูดถูก พ่อเธอป่วยบ่อยรู้ใช่ไหมว่าข้าใช้จ่ายนะ่มันเยอะแค่ไหนทำไมไม่ออกไปทำงานกับครอบครัวคนรวยเป็นคนใช้ดูแลพวกเขานะ่ะเธอกลา้าดียังไงมาพูดแบบนี้ทำไมไม่ให้ลูกสาวตัวเองไปทำงานล่ะก็อยากอยู่หรอกนะแต่คุณก็รู้ว่าลูกฉันรักสวยรักงามถ้าเธอทำงานมือไม้ก็พังหมดนะซีอีกอย่าง ลูกคุณไม่สวยอยู่แล้วทำงานหนักมันก็คงจะไม่มีผลอะไรอยู่แล้วล่ะนะเอาตามนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้เช้าเธอก็ออกหางานตามบ้านคนรวยแล้วกันนะเออตาไม่ถึงนะสิลูกไม่ต้องไปทำงานหรอกไม่ค่ะพ่อหนูต้องทำงานการไม่ทำหน้าที่ที่ควรทำก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นนะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะพ่อสอนหนูมาอย่างดีหนูรู้ว่าความพยายามของหนูจะไม่สูญเปล่าเช้า ว, วันรุ่งขึ้นสาวน้อยจอมขยันเตรียมตัวออกเดินทางหางานทาตามบ้านคนรวยแม่เลี้ยงของเธอไม่ยอมให้เธอเอาอาหาร <c oughs> และน้ำจิตตัวไปแต่สาวน้อยไม่สิ้นหวังโอ้ดูแลตัวเองให้ดีนะลูกพอ่อจำไว้ว่าอย่าปฏิเสธผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ต้องขยันทำอะไรก็ต้องทำด้วยหัวใจค่ะหนูจะจำไว้ค่ะพ่อสาวน้อยจอมขยันเดินทางออกจากบ้านเธอเดินข้ามเขาแต่ไม่พบอะไรเธอเดินมาหลายวันแต่ก็ไม่เจอใครแต่สาวน้อยไม่เคยสิ้นหวังเธอจำสิ่งที่พ่อบอกขึ้นใจจำไว้ วอย่าปฏิเสธผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต้องขยันทาอะไรก็ต้องทำด้วยหัวใจตอนนี้ฉันต้องตั้งใจหางานทำนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องทำและต้องทำด้วยใจไม่ว่าจะนานแค่ไหนฉันก็จะไม่ยอมแพ้เดินมาอีกหน่อยสาวน้อยเจอต้นไม้พูดได้กิ่งก้านเหี่ยวแห้ง สวัสดีเจ้ะหนูกำลังจะไปไหนเหรอช่วยหักกิ่งไม้แห้งออกให้หน่อยได้ไหมฉันจะตอบแทนที่เธอช่วยเหลือเออได้ค่ะสาวน้อยจอมขยันปีนขึ้นต้นไม้หักกิ่งไม้แห้งด้วยมือของเธอเธอไม่หยุดจนกระทั่งหักกิ่งไม้แห้งออกจนหมดและพร้อมออกใบออกผลต้นไม้ขอบคุณเธอสาวน้อยออกเดินทางต่อ หัดมาอีกหน่อยมีต้นองุ่นกำลังจะเฉาตายข้างๆต้นมีพล่วดูผิดหูผิดตาต้นองุ่นพูดกับสาวน้อยว่าสวัสดีสาวน้อยช่วยพลวนดินให้หน่อยได้ไหมฉันจะตอบแทนเธอที่ช่วยเหลือสาวน้อยหยิบพล่วขึ้นมา <c oughs> และเริ่มพลวนดินจนมือเธอพองโอ้เจ็บมือหรือเปล่า อ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวก็หายจะต้องช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากอยู่ต้นองุ่นขอบคุณเธอสาวน้อยออกเดินทางต่อถัดมาอีกหน่อยมีเตาอบพังๆเตาอบเรียกสาวน้อยแม่หนูช่วยทำความสะอาดฉันได้ไหมฉันจะตอบแทนเธอที่ช่วยเหลือสาวน้อยจอมขยันเห็นเตามีรอยร้าวเธอคิดอยู่สักครู่ แล้วใช้เท้าผสมดินโคลนและนำมาโปะปิดรอยร้าวทั่วเตาอบตอนนี้เตาอบดูเหมือนใหม่ขอบคุณแต่มือเท้าหนูซกโปรกหมดแล้วไม่เป็นไรคะ่ะหนูล้างออกได้หนูต้องช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากอยู่นะสาวน้อยจอมขยันออกเดินทางต่อถัดมาอีกหน่อยมีบ่อน้ำผุพังบ่อน้ำเรียกสาวน้อย สวัสดีหนวช่วยตักน้ำขุนออกจากบ่อแล้วก็ช่วยทำความสะอาดให้ได้ไหมฉันจะตอบแทนเธอที่ช่วยเหลือเลยล่ะสาวน้อยจอมขยันตักน้ำขุนออกจากบ่อแล้วขัดบ่อจนสะอาดโอ้เสื้อผ้าหนูสกปรกหมดแล้วล่ะไม่เป็นไรคะ่ะซักออกได้คะ่ะหนูต้องช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากอยู่ บอ่อน้ำขอบคุณสาวน้อยสาวน้อยจอมขยันออกเดินทางต่อถัดมาอีกหน่อยเธอได้ยินเสียงเล็กๆหน้ารักเสียงสุนัขดั่นเองเจ้าสุนัขตัวสกรปรกเลอะเธอขนก็ยาวช่วยตัดขนและอาบน้ำให้หน่อยได้ไหมฉันจะตอบแทนเธอที่ช่วยเหลือเลยสาวน้อยจอมขยันทำตามคำขอเจ้สาสุนัขดูมีความสุขตัวสะอาดและหอมสุนัขขอบคุณสาวน้อยสาวน้อยจอมขยันล้างเนื้อล้างตัวในแม่นะ้ำและออกเดินทางต่อ ไม่นานก็มืดเขา <S <S ้าเธอเดินมาเจอบ้านหลังหนึ่งมีเทพธิดาเจ็ดองอาศัยอยู่เอ่อขอโทษที่รบกวนค่ะนี่ก็มืดแล้วขอค้างคืนที่นี่ได้ไหมคะจะไปไหนเหรอมาหางานทำค่ะอย่างนั้นเหรอทำงานที่นี่สิมีห้องเจ็ดห้องต้องทำความสะอาดหกห้องทุกๆวันแต่จำเอาไว้ ว่าอย่าเข้าห้องที่เจ็ดเด็ดขาดตกลงไหมเออขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณตกลงหนูจะทำตามที่บอกเลยค่ะสาวน้อยจอมขยันตกลงทํางานเธอตื่นเช้าทุกวันเพื่อทําความสะอาดทั้งหกห้องแต่ไม่เคยเข้าห้องที่เจ็ดเลยหนึ่งปีผ่านไปสาวน้อยมีเงินมากพอเธอขอกลับบ้านไปหาพ่อของเธอ ก่อนที่เธอจะกราบช่วยบอกเราทีว่าทําไมไม่เคยอยากรู้เรื่องห้องที่เจ็เลยล่ะพราะฉันสอนว่าให้ทําตามหน้าที่ตราบใดที่ฉันทํางานที่นี่หน้าที่ของฉันคือเชื่อฟังคําสั่งของพวกท่านพวกเราชอบในความซื่อสัตย์ของเธอและประทับใจในความขยันของเธอตามเช่นมาถึงเวลาที่เธอควรได้รับสิ่งตอบแทนแล้วเหล่าเทพธิดาพาสาวน้อยไปยังห้องที่เจ็ข้างในมีเงินทองมากมาย ลงไปกลิ้งบนเงินทองติดตัวไปได้เท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นสาวน้อยจอมขยันทําตามคำสั่งเธอกลิ้งบนกองทองและกองเงินเธอเปล่งประกายวาววับราวกับดวงดาวเพราะเงินทองที่ติดอยู่บนตัวเธอเธอโบอกมือลาเหล่าเทพทิดาและออกเดินทางระหว่างทางกลับบ้านสาวน้อยจอมขยันเจอเจ้าสุนัขที่เธออาบน้าตัดขนให้ขนของสุนัขเป็นไข่มุกไม่ใช่ขน มาสิเธอช่วยเหลือฉันมาเอาไข่มุกไปอยากได้เท่าไรก็เอาไปเลยสาวน้ยจอมขยันพันไข่มุกรอบข้อมือขาและคอเธอขอบคุณสุนักและออกเดินทางต่อถัดไปอีกหน่อยสาวน้อยจอมขยันเจอบ่อน้ำที่เธอช่วยทำความสะอาดอ้มาสิสาวน้อยเธอช่วยเหลือฉันมาสิมาดื่มน้าดับกระหายเถอะ มีเหยือกน้ำมากมายวางให้ผู้ที่เดินทางผ่านมาสาวน้อยจอมขยันหยิบเหยือกน้ำและตักดื่มน้าจนพอใจ <S <S เธอขอบคุณบ่อน้ำและออกเดินทางต่อเดินถัดไปอีกหน่อยสาวน้อยเจอเตาอบที่เธอช่วยซ่อมเธอช่วยเหลือฉันมากินขนมปังและเค้กอบสดๆจากเตาสิสาวน้อยจอมขยันกินจนอิ่มและยังเอาไปฝากพ่อของเธอด้วย เธอขอบคุณเตาอบและออกเดินทางต่อเดินถัดไปอีกหน่อยสาวน้อยจอมขยันเจอเจ้าต้นองุ่นที่เธอช่วยพรวนดินมาสิสาวน้อยเธอช่วยเหลือช้นมาสิมาดื่มน้ำองุ่นสาวน้อยจอมขยันดื่มน้ำองุ่นจนอิ่มและเอากลับบ้านไปเผื่่อพ่อของเธอด้วยเธอขอบคุณต้นองุ่นและออกเดินทางต่อเดินถัดไปอีกหน่อยสาวน้อยจอมขยันเจอต้อนไม้ที่เธอคอยช่วยหักกิ่งแห้งออก ต้นไม้เขียวขจีออกลูกแพรเต็มต้นมาเธอสาวน้อยเธอช่วยเหลือฉันมากินลูกแพสดๆจากต้นสาวน้อยจอมขยันกินลูกแพรและเด็ดกลับบ้านไปฝากพ่อของเธอด้วยเธอขอบคุณต้นไม้และออกเดินทางต่อเมื่อมาถึงที่บ้านเธอดีใจที่เห็นพ่อพ่อไม่ได้ป่วยและยืนรอเธออยู่ที่ประตูหน้าบ้านสาวน้อยจอมขยันวิ่งเข้าไปกอดพ่อ เมื่อแม่เลี้ยงเธอมาเธอแปลกใจที่เห็นสามีแข็งแรงและลูกเลี้ยงร่ำรวยสาวน้อยจอมขยันมีเงินทองติดตัวมามากมายตั้งแต่หัวจรดเท้าเธอและพ่อเดินเข้าบ้านโดยไม่สนใจแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงรู้ตัวดีว่าสามีของเธอคงไม่แบ่งให้เธอแนะ่เธอเรีบเรียกลูกสาวและบอกให้เธอออกไปหางานทาที่บ้านคนรวยฟังนะ ลูกต้องหาเงินมาให้ได้มากกว่ามันแม่เชื่อว่าลูกทำได้มันได้ไข่มกุกลูกต้องได้พลอยกลับมาสาวน้อยจอมขี้เกียจโบกมือลาแม่และออกเดินทางเดินทางมาไม่นานก็พบกับต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวต้นไม้ขอให้เธอช่วยหักกิ่งไม้แห้งออกแล้วจะตอบแทนที่ช่วยเหลือเออ เ, เล่นกันหรือเปล่าไม่ว่ายัางไรก็ตาม ฉันไม่ยอยากให้มือ ส, ยสวยๆเท้าสวยๆของฉันสกรปรกเพราะกิ่งไม้แหง้งๆหรกนะสาวน้อยจอมขี้เกียจออกเดินทางต่อทัดมาอีกหน่อยมีต้นองุ่นกำลังจะเฉาตายขอให้สาวน้อยจอมขี้เกียจช่วยพลวนดินและจะตอบแทนที่ช่วยเหลือเออแต่ร้อนแบบนี้นะ่ะเหรอไม่ว่ายัางไงก็ตามฉันไม่ยอยากให้มือ ส, ยสวยๆเท้า ส, สวยๆของฉันสกรปรกเพราะต้นไม้เหี่ยวเฉาหรอกนะสาวน้อยจอมขี้เกียจออกเดินทางต่อ ถัดมาอีกหน่อยมีเตาอบแตกพังขอให้สาวน้อยจอมขี้เกียจช่วยซ่อมเตาแล้วจะตอบแทนที่ช่วยเหลือเออไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะไม่ยอมให้มือสวยสวยเท้าสวยสวยของฉันส ก, กปรกหรอกนะถัดมาอีกหน่อยมีบอ่อน้ําขอให้สาวน้อยจอมขี้เกียจช่วยทําความสะอาดแล้วจะตอบแทนที่ช่วยเหลือเป็นบ่อน้ำํทททำแท้ๆทาไมไม่ทําความสะอาดตัวเองไม่ไวม่ายังไงก็ตามฉันจะไม่ยอมให้มือสวยสวยเท้าสวยสวยของฉันสกปรกหรอกนะ ถัดมาอีกหน่อยมีสุนัขขอให้สาวน้อยจอมขี้เกียจช่วยอาบน้ําให้แล้วจะตอบแทนที่ช่วยเหลือแต่เธอกลับวิ่งหนีและตะโกนเสียงดังว่าไม่ไว่ายังไงก็ตามฉันไม่ยอมให้มือสวยๆเท้าสวยๆของฉันสกรปรกหรอกนะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ถัดไปอีกหน่อยสาวน้อยจอมขี้เกียจขอค้างคืนเป็นบ้านของเทพธิดาทั้ง7นั่นเองเหมือนเช่นก่อนเทพธิดาเสนอให้ทํางานหนึ่งปีให้เธอทําความสะอาดหกห้อง จำเอาไว้ว่าอย่าเข้าห้องที่เจ็ดโดยเด็ดขาดสาวน้อยจอมขี้เกียจยอมรับข้อเสนอเธอตื่นมาทำความสะอาดทั้งหกห้องทุกวันแต่ไม่นานความอยากรู้อยากเห็นทำให้เธอเข้าไปในห้องที่7็ <c oughs> ข้างในเมื่อแทนที่จะมีเงินทองมากมายแต่กลับมีกบและพึ่งพึ่งต่อยสาวน้อยจอมขี้เกียจจนบวมไปทั้งตัว <c oughs> เธอหนีออกจากบ้านก่อนที่เหล่าเทพธิดาจะกลับมา ระหว่างทางเธอพบเจ้าสุนักผู้มีขนเป็นไข่มุกเธอพยายามเข้าไปดึงไข่มุกแต่เจ้าสุนักก็วิ่งหนีไปถัดมาอีกหน่อยมีบ่อน้าที่เธอไม่ยอมช่วยทาความสะอาดขณะที่เธอพยายามตักน้ำดื่มน้าก็ลดลงจนเธอตักไม่ถึงเดินไปอีกหน่อยมีขนมปังและเค้กอบสดใหม่หวางอยู่บนเตาที่เธอไม่ยอมช่วยซ่อมสาวน้อยจอมขี้เกียจหยิบขนมปังแต่กลับร้อนจนลวกมือ ถัดมาอีกหน่อยมีต้นองุ่นที่เธอไม่ยอมช่วยพลวนดินสาวน้อยจอมขี้เกียจคอแห้งมากแต่ต้นองุ่นไม่ยอมให้เธอดื่มน้ําองุ่นถัดมาอีกหน่อยมีต้นไม้ที่เธอไม่ยอมช่วยหักกิ่งแต่ตอนนี้ต้นไม้เต็มไปด้วยใบเขียวและลูกแพรสาวน้อยจอมขี้เกียจเอื้อมมือเด็ดลูกแพรแต่ต้นไม้ก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนเธอเอื้อมไม่ถึงสาวน้อยจอมขี้เกียจเดินจากไปที่บ้านแม่ของเธอยืนรอที่หน้าประตูหวังว่าจะได้ท้องได้พลอย แต่ลูกสาวของเธอกลับมาด้วยสภาพยับเยินเนื้อตัวส ก, กปรกเห็นหรื อ, อยังล่ะว่าความขี้เกียจไม่เป็นผลดีกับใครผู้ที่มีความทำตนและสื่อสัารเท่านั้นที่จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนบ้านหลังนี้ไม่มีที่ว่างให้ค้นยังพวกเธอแม่เลี้ยงและลูกสาวจอมขี้เกียจย้ายออกจากบ้านพ่อและลูกสาวจอมขยันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป